ก็เป็นวันแรกคันเดือนกุมภาพันธ์วันนี้ป่วยนะเป็นไข่เออใครจะแบ่งไข้แม่ว่างมีไหมจะแจกให้นะนี่ไหมเงียบรับโดยการดนตรีภาพเลยมันไป็นพอวานนี้มาเดินทางมาเป็นไข่พอดีวันนี้ก็เป็นวันต้นของเดือนนี้ ก็ขอแนะนำบรรดาญาโยโมพุทธบริษัทแบบเบาๆว่าการจะเรียนวัฒนธรรม้จริงๆแล้วปฏิบัติไม่ยากถ้ามีความเข้าใจจริงๆปฏิบัติก็ไม่หนักอาศัยความเข้าใจเปจ็นสำคัญความเข้าใจนี่ก็คือตัวปัญญาในวิธีปฏิบัติตอนต้นพระพุทธเจ้าทรงแนะนำทุกให้ทุกคนใช้นาปานสติ ก็คำว่านาปาโนสติก็คือลมหายใจเข้าออกอันดับแรกให้รู้ลมหายใจเข้ารู้ลมหายใจออกลมหายใจเข้าแล้วก็ทราบลมหายใจออกก็ทราบถ้าลมหายใจเข้ายาวหรือสั้นลมหายใจออกยาวหรือสั้นก็ทราบการรู้ลมหายใจเข้ารู้ลมหายใจออกเป็นการทรงสติสัม ป, ปชัญญะใ้ในหนึ่งก็เรียกว่าเป็นสมาธินานาปาโนสติ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการรู้ลมหายใจเข้าลมหายใจออกมีความสําคัญมากเพราะว่าจิตใจของบุคคลท้องไร้จะมีการพุ่งสร้างเป็นปกติการแก้การพุ่งสร้างของอารมณ์อารมณ์หายใจของกําลังใจก็คือว่าลมหายใจเข้าออกขณะใดที่รู้ลมเข้ารู้ลมออกขณะนั้นเชื่อมจิตเป็นสมาธิเขาเรียกสมาธิาาธนานาปานุสติ แต่ดยเฉพาะอย่างยิ่งอานาปานุสตินี่ถ้าทําได้คล่องตัวจริงๆพุกคนจะเข้าฌานออกฌานได้ตามปกติตามความต้องการ <c oughs> นั่นหมายความว่าเรานั่งอยู่เราพูดอยู่เวลานี้เราต้องการเข้าฌานเวลานั้นเราต้องการออกจากฌานเวลานั้นการเข้าฌานออกฌานป เ, เป็นเปฟินได้ตามความต้องการของเราเลหรือว่าบางองค์เขาจะฝึกแบบนี้เอาเอา เอาช็อกแล้วเอาสีขีดไว้ถ้าเดินไปถึงตรงนี้เราจะเข้าฌานพอถึงตรงนั้นปับ๊บเขายะกจิตจะเข้าถึงฌานพอดีทันทีทันใดเนี่ยนาปาณุปติหรือว่ากำลังเขานาปาณุปติสามารถบังคับใจได้แล้วก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งคนที่ได้นาปาณุปติคล่องตัวสามารถรู้เวลาตายขอ ง, ขอ ง, ของตัวเองได้ เราจะตายเวลาไหนอาการตายจะเป็นยังไงเราจะทราบถ้า ร, รู้รู้ตัวอาการตายตัวเองก่อนได้เราก็รู้ที่ไปได้เหมือนกันนั่นหมายความว่าถ้าเรารู้ว่าวันนั้นปีนั้นปีนี้เดือนนั้นเดือนนี้เวลาเท่านั้นเราจะต้องตายถ้ารู้อย่างนี้ท่าบรรดาท่านผู้บริษัทยังไม่ได้ฌานก็คนจะคิดว่ากําลังใจเราอาจจะหวั่นวิวจะเสียกําลางใจแต่ความจริงไม่เป็นอย่างนั้น คนที่รู้เวลาตายได้ก็รู้ที่อยู่ใหม่ได้หมายความว่าถ้าเขาตายเวลานั้นเขาจะไปอยู่ที่ไหนอันนี้เขาจะทราบแม้ไม่รู้ว่าที่อยู่ใหม่มันดีกว่าที่อยู่เดิมคือดีกว่าเมืองมนุษย์เราก็ไม่หนักใจแทนที่จะกลัวความตายกับมีความชุ่มชื่นคิดว่าถ้าตายเวลานั้นจริงๆเราจะอยู่จะอยู่ที่อยู่ที่เป็นสุขกว่านี้มากก็จะมีความสุข นี่โดยเฉพาะอย่างยิ่งพระอรณาปานุสตินะกรณีวิธีปฏิบัติจริงๆขอบรรดาญาโยมพุทธบริษัททุกคนพยายามรู้ลมให้ใจเข้ารู้ลมให้ใจออกตอนนี้เวลาปฏิบัติจะนั่งหรือจะนอนจะยืนหรือจะเดินก็ได้ทั้งหมดอาการนั่งเขาไม่กันการนั่งนี่ก็ไม่ได้บังคับว่าต้องนั่งขัดสมาธิและต้องนั่งพับเพียบ ถ้าเราอยู่ในกลุ่มมากๆนี่ก็มีความจําเป็นเพราะคนมากโดยการจะนั่งเยียดขายมันเป็นไปไม่ได้ก็ต้อง น, นั่งขัดสมาธิบ้างนั่งประเพียบบ้างถ้าเวลาที่ภาวนาอยู่แล้วพิจารณาก็ตามรู้ลมหาใจก็ออกอยู่เวลานั้นถ้าบังเอิญมันปวดมันเมื่อยขึ้นมากับพลิกซ้ายพลิกขวาได้เปลี่ยนได้ไม่เป็นไรแต่ถ้าเราอยู่ที่บ้านการนั่งก็มัจํากัดถ้านั่งแบบไหนมีความสุขนั่งแบบนั้น นั่งขัดสมาธิเราชอบใจขัดสมาธิเราก็ขัดสมาธิเมื่อนั่งขัดสมาธิไปนานๆมาเกิดป่วยกิดเมื่ออยากจะนั่งพับเพีเยบก็นั่งผับเพียบได้ถ้าขัดสมาธิแล้วนั่งพับเพียบไม่ไหวอยากจะเหยียดขาก็เหยียดได้นั่งเก้าอี้ห้อยขาก็ได้ตามชอบใจนี่พูดถึงอาการนั่งอาการนอนก็ไม่กันอาการนอนจะนอนแต่แคงไส้นอนแต่แคงขวานอนหงายยงังไงก็ได้ถ้าร่างกายสบายแบบไหนทําแบบนั้น ถ้าจะถามว่าการนั่งนอนยืนเดินจะมีผลต่างกันไหมก็ต้องขอตอบว่าผลไม่ต่างกันจะนั่งก็ได้จะนอนก็ได้จะยืนก็ได้จะเดินก็ได้ทั้งสี่ทิยาบททั้งสี่อย่างนี้กําลังใจยอมเข้าถึงฌานเหมือนกันแต่ว่าถ้ากรรมฐานกองไหนได้จากการเดินที่เราเรียกว่าจงกรม ทำใหจงกรมทำยังไงกเขาบอกว่าที่แรกฝึกเดินช้าๆให้จิตสติสมัมปญญาจัญญะเป็นทรงตัวคำภาวนาพร้อมไปกับการเดินต่อไปถ้ามีการคล่องตัวพยายามเดินแบบปกติเขาเคยเดินแบบไหนก็เดินแบบนั้นเพราะการฝึกการเดินเนี่ยกระมายความว่าท่านมีความต้องการว่าขณะที่เราเดินอยู่เราสามารถจะทรงสติสมัมปญญาได้สมบูรณ์ในการเดิน ถ้ากรรมาถานกองไหนได้จากการเดินกองนั้นไม่มีความเสื่อม <c oughs> แต่ถ้าฐานนึว่าฌานสมาบัติชานสมาบัติจริงๆมันได้ทุติยาบทเดินก็ได้ยิงก็ได้นอนก็ได้นั่งก็ได้แต่ว่าสําหรับนักปฏิบัติที่มีความฉลาดต้องการผลเลิศในการปฏิบัติจริงๆยา่างปกติเราจะนั่งก็ได้จะยืนก็ได้จะเดินก็ได้จะนอนก็ได้ แต่ว่าเวลาปลายสุดท้ายปลายหลังคือเวลาที่นอนจริงๆและต้องการจะหลับเวลานั้นของบรรดาแต่พุทธบริษัททุกคนอย่าทิ้งกรรมฐานขณะที่นอนที่ษะถึงหมอนแล้วให้ใช้คำบวนาและพิจารณาก็ได้ตามชอบใจถ้าเราจะรู้ลมหายใจก็ออกก็พยายามรู้ลมหายใจก็ออกโดยเฉพาะยาทรงจิตพิธีอืน่นคาว่ายาทรงจิตพิีอื่นนี่เราคุยกันได้นะ แต่ว่าการทําจริงมันไม่ได้อารมณ์ย่อมเป็นของฟุ้งซ่านเป็นของธรรมดาอันนี้ถ้าาเอออารมณ์ฟุ้งซ่านเรนาโนรู้เราทันนเม่อเรได้เราหันไม่จับลมให้ใจเขาออกใหม่ให้ใจเข้ารู้อยู่ให้ใจเข้าใจออรู้อยู่ให้ใจออกถ้าจะภาวนาด้วยคำภาวนานี้ไม่จํากัดเพราะว่าธรรดาท่านพุทธบริษัทคล่องในภาวนาแบบไหนให้รู้สบายใจก็ภาวนาแบบนั้น แต่คนที่ไม่เคยภาวนามาก่อนเลยขอแนะนำคำภาวนาว่าพุทธโธว่าพุทธโธเป็นพุทธาตติในอนุภาพมากเป็นการนึกถึงพระพุทธเจ้าเวลาให้ใจเข้านึกว่าพุทธเวลาให้ใจออกนึกว่าโธโดยเฉพาะอย่างยิ่งเวลาที่บรรดาแต่พุทธไริษัทนอนอันนี้อย่าลืมพยายามภาวนาให้หลับไป แต่ว่าถ้าภาวนาจริงๆถ้าบังเอิญภาวนาไปมากๆจิตพุ่งเกิดเป็นความพุง่งสร้างเกิดขึ้นไม่หลับก็ปล่อยอารมณ์เชี้ยเลยภาวนาไปถ้าบังเอิญภาวนาจนหลับขอได้โปดรดทราบว่าขณะที่จิตจะหลับเวลานั้นจิตต้องสงบถึงฌานสมาบัติถ้าจิตสงบไม่เข้าไม่เธอไม่ถึงฌานจิตมันจะไม่หลับถ้าภาวนาไปสองสามคำดูลมหายใจเขาออกไปนิดหน่อยหลับเขาอย่ฝืน โยงอยากคิดว่าเราภาวนาน้อยไปแล้วรู้ลมหยใจเขาออกน้อยไปจะไม่ดีบุญมากอย่าคิดอย่างนั้นคอมีความเข้าใจว่าการทํากรรมฐานเราต้องการจิตเป็นสมาธิเป็นสําคัญก็คําว่าสมาธิก็มีหลายชัินอย่างคานิกะสมาธิสมาธิเล็กน้อยอุปจาระสมาธิสมาธิเฉียดชานอัปนาสมาธิสมาธิเข้าถึงชนัน นิสมาธิที่เข้าถึนฌานก็แบ่งเป็นสี่ฌานคือฌานที่หนึ่งที่สองที่สามที่สี่เวลาที่ท่านนอนภาวนาหบังจะนอนหลับภาวนาไปเวลานั้นถ้าจิตเข้าถึนฌานใดชานหนึ่งฌานนี้ไม่ใช่หมายความจะเข้าจังชานหนึ่งเสมอไปไม่แน่นอนนะบางบางครั้งก็เข้าถึงชานหนึ่งมันก็หลับบางครั้งชานหนึ่งไม่เข้ามันเข้าถึงฌานสองฌานสามเลยก็มีบางครั้งพอจิตสงบปับเข้าถึงฌานสี่เลยก็มี ก็ลงความว่าขนาดที่หลับจิตเข้าถึงฌานไหนเวลานั้นกว่าจะตื่นเขาถือว่าทรงฌานนั้นอยู่ยักว่าจะตื่นนะเราภาวนาไปภาวนาไปรู้ลวงพ่ใจเขาออกไปด้วยภาวนาไปด้วยแล้วก็หลับอย่าลืมว่าเมื่อจิตจะหลับเวลานั้นจิตเข้าถึงฌานในขณะที่หลับอยู่กี่ชั่วโมงท่านถือว่าทรงฌานนั้นอยู่ตลอดเวลา ถ้าตายเวลาหลับจะมีผลไปตามฌาน ท, าทันทีนี่ก็เท่าว่าท่านภาวนาเข้าถึงหลับก็ถือว่าเป็นการทรงจิตเป็นสมาธิทรงฌานได้นานตอนนี้เวลาสังเกตสมาธิที่เราจะพึงได้คือสมาธิที่พึงได้จะมันมีสามขั้นอย่างหยาบอย่างกลางยล อ, ยอย่างละเอียดอย่างฌานก็เป็นการฌานที่หนึ่งที่สองที่สามนี่มันมีสามขั้นมีอย่างหยาบอย่างกลางอย่างละเอียด เว้นไว้แต่ชาในสี่ 4, มีสองขั้นมีอย่างหยาบกระละเอียดถ้าเราอยากจะทราบว่าการที่เราหลับเราเข้าทิ้งชาอย่างหยาบหรืออย่างกลางหรืออย่างละเอียดก็จะรู้ตามนี้ขณะเมื่อตื่นขึ้นมาใหม่ๆ ม, มันจะไม่ภาวนาจะไม่รู้ลมหายใจเขาออกพอตื่นทรงตัวเต็มที่บังคับมันจึงภาวนาหราือเราต้องบังคับให้รู้ลมหายใจเขาออกด้วยบังคับให้รู้รู้คำภาวนาด้วย อันนี้ก็แสดงว่าขณะที่หลับเราเข้าถึงสมาธิที่ชานอย่างหยาบชานที่เราได้เป็นชานอย่างหยาบถ้าขณะที่ตื่นขึ้นมาใหม่ๆเพราะตื่นเต็มตัวมีความรู้สึกตัวเต็มที่มันภาวนาเองถ้รู้ลงไม่ใจเขาออกเองอย่างนั้นอย่างนี้ถือว่าขณะที่หลับเข้าถึงชานอย่างกลางถ้าขณะที่ตื่นขึ้นมาครึ่งหลับครึ่งตื่นไม่ทะเยอทะยนสนิทมันภาวนาเองขึ้นมา พอนาขึ้นมาเองรู้ ล, ลงไม่ใจเขาออกเองอย่างนี้แสดงว่าขณะที่หลับเข้าวชิ้นชานละเอียดจะมาที่ละเอียดมากนี่ความจริงการภาวนาของบนับนดาญยกโยมพุทธบริษัทหรือพื่อหรือใช้รู้ ล, ลงไม่ใจก็ออกก็ตามถ้าใช้เวลาก่อนหลับจะมีผลมากแต่เวลาอื่นก็ทําได้นะอย่างนี้เราพูดกันถึงการฝึกและี้การที่จะฝึกให้ได้ดี การปฏิบัติกรมามฐานก็บรรดาญ า, ยาโยพมพุทธบรรัททุกคนที่พระพุทธเจ้าให้ทำก็หวังให้ทุกคนพ้นทุกข์คำว่าพ้นทุกข์ก็หมายถึงว่าไปนิพพานการไปนิพพานจะไปยากหรือไปง่ายก็ต้องขอตอบว่าถ้าบุคคลใดมีลมครบสามอย่างคือมีศีลมีสมาธิมีปัญญาทั้งหมดที่ครบถ้วนบริบูรณ์ก็ไปนิพพานได้ ถ้าการปฏิบัติตามแบบเราจะรู้สึกมันยากมากนีการปนิพพ า, า, า, านเขงบรญชาแทนพระธบริจัทค่อยจับจุดหมายปลายทางว่าคนที่อยจะไปนิพพานได้จะไปได้แบบไหนก็ดูตามคําแนะนําขององค์ทมเ ด, ดเพชพระจอมใจคือพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าเคยแนะนํากับพราหมว่าพรามมณะดูก่อนพราหมณ์ให้ใช้อารุปปัาชฌายคืออากินจัญญาเยตนาชาน พราบอกอย่างนี้หลับหมดนะเห็นไยังไม่หลับตาป้อเนี่ยใจหลับแล้วนะเขาบอกว่าใช้อรูปนชานเนี่ยหลับหมดที่บอกาเอากินจัญญาญจนะชันกรนเลยเห็นไมยังไม่เข้าจังคันนั้นนี่มันเป็นภาษาบาลีถ้าเป็นภาษาไทยเอากินจัญญาเนะชานก็หมายความว่าให้มีความรู้สึกตามความเป็นจริง ว่าสมบัติของโลกทั้งหมดไม่มีอะไรเที่ยงมีความเกิดขึ้นในเบื้องต้นและมีการสลายตัวในที่สุดในช่วงที่ทรงตัวอยู่ก็เต็มไปด้วยความทุกข์ใ น, นความหมายว่าคนก็ดีใสก่ก็ดีมีความเกิดขึ้นแล้วในที่สุดก็ตายเหมือนกันวัตถุธาตุต่างๆมีความเกิดขึ้นก็ตายเหมือนกันก็เป็นว่าโลกนี้ทั้งโลกไม่มีอะไรเหลือ หากินจันยายชนะฌานหมายความว่าทั้งโลกทุกทุกริงทุกอย่างไม่มีอะไรเหลือในเมื่อคนอื่นไม่เหลือเราเองเราก็ไม่เหลือไม่เหลือติดโลกนี้ในเมื่อเรามีความรู้สึกว่าทุกสิ่งทุกอย่างไม่เกิดมีความเกิดขึ้นในเบื้องตน้นมีความแปรปรวนในท่ามกลางมีการสลายตัวในสีสดุดไม่มีอะไรเหลือแล้วเราจะหลงโลกนี้เพื่ออะไร ในขณะที่มีชีวิตอยู่เราทํางานทุกอย่างเพื่อความเป็นอยู่เป็นสุขเรามีหน้าที่แบบไหนทําหน้าที่แบบนั้นให้ครบถ้นเป็นความเป็นอยู่เป็นสุขแต่ว่าคิดตอบไปว่าถ้าบังเอิญจิตใจมนสลายตัวลมหายใจสลายตัวเมื่อไหรขึ้นที่เราตายจากโลกนี้ขึ้นเชื่อโลกนี้เราขอมาชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายขึ้นเชื่อการที่มาเกิดใหม่ไม่มีความต้องการของเรา เมื่อทุกคนคิดอย่างนี้ถ้ารู้มีแบบนี้ก็มีให้มีความรู้สึกว่าร่างกายเนี่ยมันมีสภาพเสื่อมลงไปทุกวันได้ในขั้นสุดท้ายไปหลังมันก็พังร่างกายที่ทรงอยู่มันเป็นสุขหรือมันเป็นทุกข์อธิบยอริยสัจเป็นวิปัสสนาญาณนะไอ้อดูว่าร่างกายของเราเนี่ยแปร น, นิจจังหรือแปรอนิจจังหรื อ, อนิจจังคือว่าเที่ยงหรือไม่เที่ยงนี่เป็นไตรลาาักษณญาณในเมื่อมันไม่เที่ยงมันเป็นสุขหรือเป็นทุกข์ ก็เราก็ยังมีความรู้สึกว่าความทุกข์ทั้งหลายแหล่ที่เกิดขึ้นกับเรามันไม่อาศัยร่างกายอย่างเดียวถ้าเราไม่มีร่างกายความทุกข์ทั้งหลายเหล่านี้ก็ไม่เกิดความทุกข์ที่เกิดประจาวันก็คือหนึ่งการปวดอุจจาระปัสสาวะการปวดอุจจาระก็ดีปวดปัสสาวะก็ดีแรกกายก็ความทุกข์ความทุกข์อย่างนี้จะใส่ร่างกายมันจึงเกิดรายการที่สองความหิว ความหิวแต่เราหิวทุกวันใต้หิวมันก็เกิดทุกข์ถ้าไม่ได้กินก็ทุกข์มากแล้วก็ดูว่าความทุกข์ความหิวเกิดขึ้นอย่างนี้เพราะอาศัยใครถ้าใช้ปัญญาเล็กน้อยเรยทราบว่าอาศัยร่างกายอย่างเดียวถ้าเราไม่มีร่างกายเราก็ไม่หิวแล้วนี่ในเมื่อมันหิวเราจําเป็นต้องกินจําเป็นต้องใช้ก็ต้องประกอบการงาน การงานทุกอย่างที่เราทำก็มีความเหนื่อยมีความยากมีความทุกข์กายทุกใจก็แหวากใจกับความทุกข์ในอริยสัจอันนี้ที่ฟังนี่เป็นวิปัสสนาญาณนะกรุ่มความร่างกายเราต้องทุกต้องมีงานทำเพราะมีร่างกายถ้าเราไม่มีร่างกายเราก็ไม่ทุกอย่างนี้ต่อไปการพลัดพร้าจากของรักของชอบใจเกิดขึ้น แล้วก็ต้องดูต่อไปว่าอาศัยอะไรที่ความหดหู่เกิดขึ้นความเศร้าสลดเสียใจเกิดขึ้นเพื่อการแพร่ๆเจ้าของรักของชอบใจก็เพราะเรามีร่างกายถ้าเราไม่มีร่างกายอย่างนี้เราจะทุกอะไรกับความรักของความรักของรักของชอบใจจะมีที่ไหนในที่สุดความตายก็จะเข้ามาถึงไอ้ความตายเข้ามาถึงในี่ใครตายร่างกายมันตาย เพราะเรามีร่างกายจะมีการตายแบบนี้เมื่อพิจารณาตามความจริงก็ต้องคิดว่าความทุกข์ทางหลายแหล่ที่มีขึ้นกับเราก็ใส่ร่างกายอย่างเดียวดะนั้นท่านที่ไม่มีร่างกายอย่างเราโดยเฉพาะอย่างยิ่งท่านเบื้องสูงนั่นคือเทวดาเรือ่องนางฟ้าหรือพรมหรือพระอริยเจ้าที่ไปนิพพานแล้วอันนี้ถ้าทั้งหมดนี้ท่านไม่มีร่างกายอย่างเรา คือเทวดาก็ดีนางฟ้าก็ดีพงก็ดีท่านเป็ปนเป็นนามธรรมีว่ามีกายทิพย์ไม่มีเนื้อไม่มีกระดูกไม่มีท่าสี่คือท่า ด, ดินก็ไม่มีท่าน้ําก็ไม่มีท่านลมก็ไม่มีท่านไฟก็ไม่มีร่างกายของท่านเป็นทิพย์ที่เรียกามีรูปคือรูปในน้ำท่านโพธนี้ไม่มีความทุกข์อย่างเรา ความหิวไม่มีความกระหายไม่มีการปวจาระปัสสาวะไม่มีร้อนเกินไปหนาวเกินไปไม่มีการป่วยไข้ไม่สบายไม่มีการพัดพราดอย่งของรักของชอบใจต้องเสียใจไม่มีความตายไม่มีที่ท่านไม่มีทุกอย่างเราเพราะท่านไม่มีร่างกายที่ประกอบปฏิท่าสีอย่างเราเราก็เวลาที่เราคิดอย่างนี้ปฏิบัติอย่างนี้แล้วก็เลือกเอาว่าถ้าเราตายจากชาตินี้เราจะไปไหน เราจะไปอยู่สวรรค์ได้อยู่พรมโลกได้ไปนิพพานทั้งสามแดนเนี่ยจริงๆแล้วเป็นแดนนี้มีความสุขทั้งหมดสวรรค์ก็มีความสุขพรมโลกก็มีความสุขนิพพานก็มีความสุขนี่พวกเก่าๆเขาจะแปลกใจนะแล้ว <c oughs> หลับไปก็ไปดัวความจริงท่านมีความสุขแล้วก็ต้องใช้ปัญญาอีกนิดหนึ่งตอนนั้นต้องใช้ปัญญานิเวศววัฒนาญาเนี่ต้องเกี่ยวกับปัญญามาก แต่ก็ไม่หนักนักคิดแบบธรรมดาธรรมดาก็คิดว่าเทว ด, ดากบนางฟ้าท่านมีความสุขและพรหมโลกก็มีความสุขนี่ทำไมพระพุทธเจ้าจึงสอนให้เราทุกคนไปนิพพานก็อย่าสอนที่อยู่แค่สวรรค์ไม่ได้หรือไปง่ายๆสวรรค์ไปง่ายเนียนะ่ยไม่ยากนะพระพุทธเจ้าบอ ก, กทานนางส ก, กโสทานนางการให้ทานเป็นัยใจเกิดในสวรรค์ ย่งบรรดา ญ, ญาโยมพุทธบริษัทถวายทานกับพระก็ดีให้ทานกับคนก็ดีให้ทานกับสัตติชายก็ดีอย่างนี้เป็นปัจจัยเกิดบนสวรรค์ถ้าเราใช้การวิจารณาจริงก็จะทราบว่าการไปสวรรค์มีความสุขยิงแต่ทว่าสวรรค์มีการหมดอายุถ้าหมดบุญวัสนาบา ร, รมีก็ต้องกลับมาเกิดเป็นทุกข์ใหม่ตอนนี้บังเอิญถ้าเราจะไปเป็นพรหม พรหมมีกำลังมากกว่าเทวดามีบุญมากกว่ามีความสุขมากกว่ามีการสงบสงัดเพราะพรหมนี่อยู่คนเดียวมีมารมีมาหนึ่งมีพรหมองค์เดียวไม่มีคู่ที่พรหมไม่มีผู้หญิงไม่มีผู้ชายเป็นไายปริชาติเป็นกระเทยนะมั้งพรหมนี่ไม่มีเพศนะเขาจึงเรียกว่าพระพรหมจะเป็นผู้หญิงก็ได้เป็นผู้ชายก็ได้ไปเกิดที่พรหมนะแถึงพรหมแล้วหมดเพศ นายก็จะมีบาปนะ <c oughs> หาเพศไม่ได้ท่านจะเรียกว่าพระพรหมเพราะว่าวิมานหนึ่งจะมีองค์เดียวไม่มีหลายองค์ไม่มีการอยู่เปค็นคู่ฉะนั้นมองเห็นพรหมมีการสงบสงัดมากกว่ามีความสุขมากกว่าสวรรค์ไม่มีความวุ่นวายทําไมพระพุทธเจ้าไม่แนะนําให้ไปพรหมการที่ไปพรหมได้ก็ธรมาดาแต่พระตุศจรั์ทุกคนที่ไปพรหมต้องได้ฌานสมาบัติ ยามปกติทุกคนต้องมีฌานสมาบัติอยู่เป็นปกติคำว่าปกติก็หมายความเวลาที่เราต้องการจิตสงดเวลานั้นจิตสรงฌานตอนี้คนที่ได้ฌานแลแ้วจะไปเป็นผมเวลาตายต้องเข้าฌานตายการเข้าฌานตายของคนก็ไม่จำเป็นต้องเป็นนั่งขัดสมาธิไม่มีความสงคัญคำว่าฌานนี่นั่งก็ได้นอนก็ได้ยืนก็ได้เดินก็ได้ยืนก็ได้ ว่าบางคนเขานอนเพราะจิตสังกัดจับอารมณ์ใดอารมณ์หนึ่งโดยเฉพาะอย่างที่พวกเราภาวนาวระพุทธโอจิตนึกถึงภาพพระพุทธรูปรนึกถึงภาพพระพุทธเจ้าอย่างใดอย่างหนึง่งเวลานั้นจิตยังนึกเห็นภาพพระพุทธรูปองค์ใดองค์หนึ่งอยู่จิตยังนึกภาวนาวระพุทธโออยู่หรือว่าเวลาที่จิตเห็นภาพจิตเรื่อมใสในรูปพระเฉยๆก็ได้นึกถึงพระองค์นั้นค้นภาพพระองค์นั้น เวลานั้นมาเอินตายทันทีถ้าตายเวลานั้นเขาถือว่าเป็นผู้เข้าฌานตายก็ไม่จำเป็นต้องนั่งนอนก็ได้อย่างพระพุธพทธเจ้าธนิพนธ์ได้ก็นอนนิพนานไม่ใช่นั่งถ้าว่าตายกาลังฌานแบบนั้นจะไปเป็นพรหมทันทีถ้าถามว่าพรหมชั้นไหนก็ไปตามขั้นชา้นที่หนึ่งก็เป็นพรหมในสามชั้นคือหนึ่งสองสามหยาบหยาบกลางละเอียดเป็นต้น ตอนนี้ถ้าเราไปเป็นพรหมพรหมก็มีการหมดบุญศัสนาบา ร, รมีเหมือนกันเมือหมดบุญศาสนาบา ร, รมีก็ต้องละอัตภาพจากความเป็นพรหมแล้ามาเกิดปเป็นมนุษย์บ้างเลยลงมาบยภูมิไปบ้างก็รวมความว่าสวรรค์ก็ดีพรหมก็ดีทั้งสองอย่างนี่ยังไม่ดีเป็นความสุขชั่วคราวความสุขไม่ยั่งยืนถ้าเราไปนิพพานได้จริงๆมีความสุขยั่งยืนมากทั้งนี้เพราะอะไรก็เพราะว่าถึงนิพพานแล้วไม่เคลื่อนไปไหนอยู่ที่นั่นโด ย, ยเฉพาะ ไม่ต้องเวียนไหวตายเกย kind of ิดกรรมมาเกิดใหม่อีกไม่มีแล้วอยู่นิพพานอย่างเดียวก็เคยมีคนมาถามว่าอยู tense, ่นิพพานนานๆไม่ลำคาญหรือมีมาถามเหมือนกันนะก็เลยบอกก็บอกถ้าอย่างนั้นไม่ลำคานจริงๆก็หลงอเวจีไปก็แล้วกันนะแต่เขาไม่หลงแล้วนะนอมนะมีมาถามหลายคนเหมือนกันนะว่าอยู่นิพพานนานๆไม่ลำคาญหรือเออทั้งอเวจีมีงานมากดีนะก็อยู่ที่นั่นก็แล้วกัน กร็รวมความว่าทอนนี้ถ้าเราตั้งต้องการจะไปนิพพานพระพุทธเจ้าสอนให้จับจุดไหนจะสังเกตดูได้ว่าทุกองค์ที่นิพพานที่พระพุทธเจ้าแนะนำให้ตัดตัวร่างกายตัวเดียวคือว่าสังโยชน์มีสิบตัดข้อเดียวคือข้อที่หนี่เรื่องเทวส ก, กายติทิอันนี้เป็นภาษาบาลีก็ฟังยากเอาที่ฟังง่ายเป็นตัวอย่างอย่างพระติสสะ องอื่นก็เหมือนกันพระเจ้าสอนเหมือนกันท่านพ า, ายยะก็เช่นเดียวกันสำหรับท่านพายยะพระพุทธเจ้าทรงแ น, นะนําว่าภายยะเธอจงอย่าสนใจในรูปรูปกระหมาอมที่ร่างกายท่านเข้าเถรหันเวลานั้นทันทีเพื่อการตัดกิเลสเข้าถเพระรหันนตัดรูปตัวเดียวในอย่างท่านภายทังตั้งอย่างท่ติดสะเวลานั้นท่านป่วยมากพระพุทธเจ้าทรงกล่าวว่าติดสะ ร่างกายของเธอนี้ไม่ช้าก็จะมีวิญญาณไปปรแปดแล้วคือหมายความว่าไม่ช้าก็จะตายแล้วในเมื่อตายแล้วก็ร่างกายนี้เป็นสภาพที่บุคคลเขาทิ้งเหมือนก็ท่อดไม้ที่ไ ร, ร้ประโยชน์เพือรวมความว่าการที่ไปนิพพานได้คือเวลาหันหก็ตัดร่างกายตัวเดียวตอนนี้อย่างบรรดาญาโยพุทธบริษัทฝึกการเจริญปกรรมฐานหวังปณิพันธ์ถ้าหวังปฏิภันธ์ก็อย่าภาวนาอย่างเดียว ก่อนภาวนาหรือหลังภาวนาเมื่อจิตสบายแล้วก็นึกถึงร่างกายว่าร่างกายที่มีสภาพไม่เที่ยงจริงไหมเมื่อใช้ปัญญานิดเดียวเราก็ทราบว่าไม่เที่ยงในเมื่อไม่เที่ยงมันเป็นสุขหรเป็นทุกข์ถ้าเราใช้ปัญญานิดหน่อยเห็นว่ามันเป็นทุกข์ความหิวเป็นทุกข์ความหิวเป็นทุกข์ความกระหายเป็นทุกข์หนาวเกินไปเป็นทุกข์ร้อนเกินไปเป็นทุกข์ประกอบกิจการงานเลยยากเป็นทุกข์เป็นต้น รวมความว่าร่างกายนี้มาเต็มไปด้วยความทุกข์ไเต็มไปด้ความสุขแล้วก็ร่างกายเป็นเราเป็นพวกเราหรือเปล่าเราก็ถามตัวเองในส ก, กายยติติเตพิจารณาบอกที่เรามีความทุกข์อย่างนี้เพราะเหตุว่าร่างกายเป็นเราร่างกายเป็นพวกเราเรามีในร่างกายร่างกายมีในเราในขหมายความว่าเราหลงธาตุสี่คือธาตุสี่มันมีสภาพเกิดขึ้นในเบื้องต้นมีความแปรปรวนในทำกลางมีการสลายตัวในที่สุด สภาพของมันเป็นอย่างนี้แต่เราไม่คิดตามนั้นเราคิดว่ามันจะทรงตัวตลอดเวลาความแก่มีเข้ามาทุกวันเราคิดว่าเราไม่แก่ความตายใกล้เข้าใกล้มาทุกวันเราคิดว่าเราไม่ตายนี่เป็นส ก, กายเยติจิตแต่นี่พระพุทธเจ้าให้ตัดส ก, กายเยติให้เข้าใจตามความเป็นจริงว่าร่างกายมันไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราเราไม่มีในร่างกายร่างกายไม่มีในเราทั้งนี้เพราะอะไร ร่างกายเป็นเพียงธาตุสีคือธาตุน้ำธาตุดินธาตุดมธาตุไฟเข้ามาผสมกันไปร่างกายมันมีความเกิดขึ้นในเบื้องตน้นมีความแปรปรวนในธรรมการมีการสลายตัวในสุดนี่คําว่าตายเกิดขึ้นมันตายจากพ่อร่างกายเราเครือทิศมารกายย่อมไม่ตายไปด้วยถ้ามีเรามีอารมณ์เป็นกุศลก็ไปโูดสุคติถ้ามีอารมณ์เป็ น, น่กุศลก็ไปโสดทุคติ อันขึ้นเชื่อ ว, ว่าอารมณ์อย่างนี้มันมีความแปรปรวนเราไม่ต้องการมาอีกถ้าร่างกายนี้พึงตายมล า, ายคอปนิพานจุดเดียวนึกว่าอย่างนี้เสมอตอนนี้เวลาที่บรรดา ญ, ญาโยมบ ร, ริษั์คิดอย่างนี้เป็นปกติอารมณ์มันจะชินคําว่าชินก็คือชาญที่ชาญก็คือชินนี่เมื่อเวลาร่างกายป่วยจริงๆอารมณ์เบื่อหน่ายร่างกายมันเกิดขึ้นมันจะมีความรู้สึกไอการป่วยอย่างนี้เกิดขึ้นเพราะร่างกายอย่างเดียว ถ้าเราไม่มีร่างกายอยานี้เราจะไม่มีการป่วยถ้าจิตมันคิดอย่างนี้นะเวลานั้นจิตก็เข้าถึงการวางเฉยในร่างกายไม่สนใจร่างกายเกินไปการเจ็บการปวดก็เทุกขเวทนาย่อมมีเป็นของธรรมดาแต่ความต้องการในร่างกายของเราจะไม่มีเวลานั้นทำเออเวลานั้นจิตที่ต้องการร่างกายไม่มีจริงๆเกิดขึ้นเวลานั้นท่านเบรหัน แล้วก็นิพพานในวันนั้นอรหันด้ย่าโยมพุทธบริษัททุกขันพูดไปพูดมาก็คิดว่าจะไปไม่ไหววพาะิ่งเจ็บคอมากใบของรรดาทางพุทธบริษัททุกคนตั้งใจสมาทานเสียนสมาทานเป็นกรรมฐาน